เดินไปเฉยู้ฉนเฉยนียมันแม่แยบออกไปเดี๋ยวนี้หดเข้ามาหดเข้ามานะกระเกียบิดไม่ เ, เหมือนแต่ก่อนมันงคงขี้เกียจเหมือนคนเฒ่าคนแก่อ ย, กอยากลุกจะเดินจะเดินไปไหนลําบากจะคงเปน็นนั่งัากาคขนุกิจมันก็อยู่ในสมมุติมันมีลยยักษณะนั้นที่เดินตัวนี้นจริงๆน่ากลัวตกอะไรไรลิ ้าดอะไรอะไรไปอยา่างไม่สงสัยเหมือนกันมันบอกชัดัดเป็นเดินนีมีเป็นัพอย่นี้กิมันไม่ออกเยย็บไปรู้ไปจำข่ายไปไปหมายว่ า, น, า น, น, นีทัพอ่าง น, นั้นท่านรู้อยู่เเดอ้าไปตอกตรูมเลยทีออกมาจากมติพ อ, ออกมามันได้คิดนี่รู้อยเอนี่ต้องได้กหนดไว้ก่อน ไม่งั้นโดนตบพักนั้นได้เป็นแล้วเดี๋ยวนี้รู้ได้ชัดๆแต่ก่อนไม่ไม่เป็นแล้วนี้เป็นเดินไปไหนบางทีต้องไปหยุดซะก่อนหยุดคิดถ้ามันยังไม่คิดมันยังไม่แยบออกยังไม่ไปอย่างนี้มันเป็นรู้นี้มเสยมันไม่แยบมันแยงนี้มันก็ไม่มันก็ไม่รู้นั่นเป็นนันนี้เป็นนี้ รู้เฉยหนึ่งสาคัญที่น่ากลัวนั่นตกพักนั่นพักนี่จริงน่ากลัวตกไปไหนมาไหนตอนระยะช่วงสั้นๆเนี่ยไปนั่นมาที่นั่นถ้าเดินแบเรื่องจริงไม่เป็นไรช่วงสั้นๆเดินนั่นเดินนี่ อย่งในพุท ธ, ธิป็นตน้นพอออกมาแล้วจะเดินลงไปต้องในยินสมหมดตัก่อนเป็นทีมแน่ใจมันยับออกไปรับแล้วแน่ใจแล้วถึงจะข้าวไปถ้ามันรู่ยเฉยมนันขืนเข้าวไปแล้ว ต, ตกจริงเป็นในเดี๋ยวนี้อ่ะมันคงขี้เกียจ <c oughs> ไม่ว่ามันขี้เกียจในเนี่ย อันใช้มานานนัก็อทำรุงมันขี้เกียจคขี้เกียจปรุงขี้เกียจไม้อะไรๆแต่ก่อนใครจะรดเลีของมันคิดเรื่องออกเรื่องนอกน่นเจนล้างไว้ไม่อยู่อนี้ไม่เป็นงั้นมันขี้เกียจแล้วอะไรอะไรมันขี้เกียจคิดเ่องนอกนมันขี้เกียจเหมือนกับยกภาระหนักๆอย่างนั้นนะให้อยู่ตามสภาพของตัวเองมัน เป็นปกติก็ดวกคิดอ่านใจตองเรื่องนั้นเัืนมันหนักแต่โกงข้าม ถ, ถ้าเกี่ยวกับเรื่ อ, อ่านเรองทํามันไม่เป็นอย่างนั้นนะหนักว่าเราพูดมันโกงตามความจริงมันก็มันเป็นอย่ น, นั้นอยู่แล้วอมัน้นคิดแล้วนั้นมันไปเรืออะไรปั๊บแต่ก่อนมันเป็นเรื่องโลกอยู่แล้ว แม้แต่ไม่คิดมันก็จะคิดบังคับววามันก็จะคิดต้องเอาการหนักา บ, าบังคับกั น, นอย่างห น, นักเอาธรรมาบังคับเอาสติปัญญานักหนาห้างอย่างหนักจริงจอยู่มันต้องหยุดทีนี้มันงมคงหรืข้ามคิดไปเรื่องน่องๆไม่คิดมันไม่อยากคิด การกินเรื่องอ่ารืไปของมันธรรมดาเลยคร่องตัวไปยิ่งเหมือนสัมผัสอะไรทําสัมผัสเรองอ่าเรื่องทนสัมผัสอะไรนี่มันตามทันทีพราวัดไปเลยเร็วมันเหมือนอะไรมันกระดาษซึมเหมือนน้าน้าซึมเนี่ยจนกทั่งรู้เรองรู้ลานั้นเสร็จแล้วมันก็อยู่ที่มันเองพอเข้าใจแล้วปล่อยครับ มีไมากับที่ต่างๆเข้าื่อยออกเล่อยพระมาตั้งใจปฏิบัตินะจีดมาขวางตัวเองจีดขวางหมู่เพื่อนจีดขวางัาสนาอีดขวางเพศของตัวเอง อพกานั้นกีดขวางไปทั่วโลกส่วองสารอยู่นี่มันไม่ได้นะในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรประเสิฐเลิศยิ่งกว่าธรรมอืมอำนาจของกิเลสเห็นว่ามันเด่นขนาดไหนฤทธิ์ของมันมันไม่สะจนกะทั่งจิตมันไม่ยอมให้จิต ออกสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมรถของธรรมตามีมันก็ให้ดูมันแต่เรื่องของโลกหูมีมันก็ให้ฟังมันแต่เรื่องของโลกจมูกลิ้นกายใจมีอยู่เต็มตัวมันก็ให้รับรู้รับทราบบางครใส่ตั้งแต่ให้รู้ให้เห็นให้ได้ฟังได้คิดและอ่านตั้งแต่เรื่องโลกเรื่องของสารที่จะเป็นปืนเปินไฟมาเผาตัวเอง ท้งนั้นมันไม่เปิดช่องให้ไป ด, ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังได้คิดได้อา่านได้ใส่ในะจได้อ่านได้ทำเลยไรมันมีอำนาจมเป็นอย่างนั้นเพราะอิวัว่าทุกส่วนนับตั้งแต่จิตออกมามันครอบมังหมดเวลามันมาครอบเราแล้วมัน เรากลายเป็นตัวมืดดำไปตัวมันมันไม่ได้มืดดำเลยมันฉลาดของมันทุกส่วนในวยว่าของเรามันจิงๆแต้มน่าทองมันถูกปิดถูกครอบงำไว้ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นคิดแล้วคิดหล่าคิดไปคิดมาเห็นแล้วเห็นหน่าสัมผัสสัมพันธ์กัน ไปมาทั้งกันทั้งคืนเดินเดินนั่ง น, น, นอนตั้งแต่วันเกิดมาจนมาถึงวันนี้มันให้มีความเบื่อและอิ่มพอเมื่อไรก็ถีเราคิดอยู่นี่เรว่ากิเลสปัญหาไม่เคยมีความอิ่มพอยึดอะไรของเก่าของใหม่สับสนปนเปรกกันอะไรมันก็ไม่ยับไม่เปิดทางให้รู้ใ้ววันนี้เคยกินแล้วเคยเห็นแล้วเคยรู้แล้ว เคสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์เกี่ยวกับเรื่องพิเรศนหาผิดขึ้นนี้ควรจะปล่อยวางกันแล้วควรจะอิ่มพอควรจะชิงชากันไปแล้วไม่มีทางให้ชิงชาได้เลยแยบหนึ่งมันก็ไม่เปิดทำไห้ต่างใจบุกเบิกมันยริงจริงมันต้องอาใัความพยายามตามหลักธรรมเชื่อพิเรศก็เชื่อมานานแล้ว มีตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาเชื่ออใจเชื่อธรรมจึงต้องฝืนตามอดตามธรรมทุกข์ก็ยอมทุกข์ฝืนก็ยอมฝืนเชื่อธรรมแล้วแล้วจะมีทางพอรู้พอเห็นยึดยึดแยบแยบทางด้านจิตใจหูตาที่เป็นเครื่องใช้ของที่เด่นมานานก็จะเริ่มเป็นเครื่องใช้ของอดของธรรมข้นไปตามองเห็นก็คิดเป็นธรรมหูได้ยินก็คิดเป็นธรรมจมูก ร่นการสัมผัสสัมพันธ์เรื่องอะไรตลอดถึง 10, จิตคิดขึ้นมาในแง่ต่างๆนันก็เป็นอัดเป็นธรรมไปถ้าทรรมได้เข้าแทบมีเห็กตัง้งเมืคิดขึนมาเป็นธรรมไปก็เท่ากับเริ่มปวดเปื้อนสิ่งต่างๆจองจำทั้งหลายอ อ, ออกจากตัวนั่นเองเปิดช่องไม่ได้เลย ย้อมกันบนต่อมันอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีทางผ่าเหลืองก็เป็นเพศประกาศตัวเองให้ทราบการบวชก็คือการประกาศตัวเองให้ทราบเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายและจิตใจทั้งตัวไปตามเพศ ที่ประกาศให้ตัวและคนอื่นดูอยู่แล้วนั้นนี่เรืองเพจเป็นอย่างนั้นแต่ทําไมละไม่ถอนไม่ทําหน้าที่เพจก็เป็นเพจเลี้งก็เป็นเลีง้งว่าพระก็ว่าแต่ที่ใครว่าก็ได้เป็นอะไรแต่คราวาดเขยังมีขันพระขันพยาชื่อตั้งอะไรเท่าไหร่ก็ได้ ทำไมทำหน้าที่ทในสมเด็จปียิงชงทั้งหน้าทั้งตาเิ็งดีงนะ่ะทำเสื่อมศูนไปจากโลกโลกคือใครฉันว่าทำทาเสื่อมทำเสือเส่อมอย่างนี้มันมีทำอะไรบ้างพอที่จะให้เสื่อมหร ม, มีแต่ชื่อเราแล้วก็ต้องคิดดิปัญญามีทามีบ้างก็พอเสื่อม พอรู้ว่าทำเส่อมตั้งที่ประพุทธจากส อ, อนว่าทำไปเสื่อเมเสมื่อมไปจากโลกนี่หมายถึงมีผู้นับถือมีผู้ทําให้เจริญนะครับผลประโยชน์ไปโดยลําดับบรรดาหนั่นดนะลดับต่อมาความรูความเห็นของคนที่เกี่ยวขว้องกับทำมัน้นเบาลงเบาลงเบาลง ความเบาลงสืบเนื่องมาเป็นําดับรุนแรงจากความสนใจในธรรมท่านยิเรียกว่าทำเสื่อมโลกทำเสื่อมจากโลกเมื่อความรู้สึกในธรรมไม่มีในใจแล้วก็โยนทาสิ้นจากโลกโลกสิ้นจากธรรมนย่างศาสนาเสื่อมหมายถึงตัวบุคคลผู้ปฏิบัติสนใจในศาสนามันเสื่อมนั่นเองเสื่อมในอันในธรรม แล้วก็ไปเจริญทางโลกความเจริญทางโลกก็คือความไปส่งเสริมไปพอใจทางโลกคือเอาไฟมาเผาส่วนให้ภาพนั้นพิจารณาให้ดีที่พูดเหล่านี้อำนาจของพิเรนเนี่ยมันหํามันแน่นมันมืดมิดปิดตาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เปิดไม่แวบไม่ถากไม่เท้า มันออกมันจะมืด อ, อยู่นั้นตลอดไปกลางคืนมันก็ยังมีเปลี่ยนสภาพบอกเป็นกลางวันมืดทางโลกยังเปลี่ยนจากแดงออกไปเป็นสว่างได้แต่มืดภายในจิตใจและมืดออกมาทางตาทางหูทาง ห, ทางหูทางลิ้นทางกายนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมีแต่มืดแปดทิศแปดด้านถ้าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความถูกต้องตามหลักธรรม จะไม่มีวันสว่างถือเอาตรงนี้ไว้ยึดไว้เป็นหลักใจอย่าคอยวันคอยคืนคอยปีคอยเดือนนั่นเป็นเพียงการสถานที่สมมุิอยู่นอกๆ น, น้อไม่ใช่ตัวสาคัญที่มาบีบบังคั บ, บจิตใจของเราให้หมืดดำกันตายอยู่เหมือนี่เลยอันนี้ดีอยู่ตลอดเวลาจึงควรตะเกียบตะกากันอยู่ตลอดไป รมกับกู้ว่าบวช ด, ด้วยความเห็นไพยอะไรเป็นไพรถ้ามันใช่สิ่งที่บีบบังคับหัวใจอย่างนี้เป็นไพยไม่มีอะไรเป็นไัยในโลกนี้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติใครอยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติตั้งให้ดีสู้อยู่เสมอนั่นความมีสติคือความต่อสู้คือผู้มีความเพียรปัญญาพิณาจ่ายจอง อย่านิ่งนอนใจอย่าไปเชื่อใครยิ่งกว่าเชื่ออัดเชื่อธรรมเชื่อพุทธธรรมสงฆ์ซาโลเข้ามาแล้วอย่าเชื่อตัวเองโดยปราศจากเหตุผลอัดธรรมเข้าเกี่ยวข้อเพราะความคิดความปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องหลอกเรื่องหลอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีความคิดปรุงใดที่จะเป็นอัดเป็นเป็นธรรมขึ้นมาล้วนๆโดยไม่ได้ใช้จิตปันา ขาพนิพัฒนาเลยมีขั้นตามปกติของสามัญชนเราเป็นอย่างนี้นอกจากจิตตรงท่านพุ่มมีอดมีธรรมภายในจิตใจและผู้บำเพ็ญธรรมอยู่โดยสม่ำเส ม, มอและผู้มีธรรมโดยสมบูรณ์ภายในใจและท่อ น, น้งจิตจึงจะเป็นธรรมไปโดยลำดับำาำนาและเป็นธรรมล้วนๆอยู่ตลอดเวลา ใครจะได้จะเสียอะไรจะเสือ่อ ม, ใใมที่ไหนก็ตามแต่อย่าให้เป็นหนีจากตัวเองให้รู้ความได้ความเสียความเสือ่อมความเจริญของตัวเพราะเราเองเป็นผู้รับผิดชอบเราสนใจอยู่ตรงนี้ที่ว่าผู้มีความเพียรอยา่าุ้นอย่าสนิทซึ่งกันและกันอันเป็นแบบโลกโลกคุ้นโดยทมสนิทโดยทม ทำให้ปรมาณทาเป็นสิ่งที่ฟื้นฟูขึ้นยากโลกนีไ่ไมันต้องทามมันฟื้นฟูอยู่ด้วยกันทุกคนทุกรายแม้แต่สัตว์ในเรือนมีอยู่แล้วบอกไม่ทาให้เริญขึ้นเรืเ่อยแต่ทําให้พิเรนมันเสื่อมนี่ที่ไหน นอกจากผู้ปฏิบัติธรรมเราคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้านำไปกรรมัดว์โลกนนมีปัจฉาบิ์ประจำทุกตัวสัตว์ตัวคนนทุกทุกือไม่ทุกมันก็ตายด้วยกันแลมันไม่ทุกขมันไม่ตายแล้วเราประกอบความเพียรเกิดจะไปกลัวทุก ตัวลำบากมันก็ไม่พ้นจากถูกกล่องของยี่เลยจนได้นะทำอะไรให้มีแบบมีฉบับายาศักด์แต่ว่าทำให้คำหนึ่งถึงแบบฉบับถึงหลักธรรมหลักข้าในถึงครูถึงอาจารย์ผู้ที่ควรเชื่อถือได้นำเข้ามาเป็นหลักใจก็มห ยาท่าทำมสี่ชุมห้ามันจะกลายเป็นโคโลโโสไปดังที่เห็นนี่นัใครปฏิเสธได้เมื่อไรหูตามีใจมีต้องรู้ต้องเห็นต้นทรา บ, รบดดวยกันนันหมันพยายามทำเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นทำเราให้มีแบบมีจแะบบัดมีหลักมีเกณฑ์ ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวหรือเสมอเอาให้เนนลนักผลิพลานขึ้นมาอวดโลกดิอวดโลกในขันเราเนี่ยอวดโลกในจิตแล้วนี่แหลจิตแต่ก่อนมันหาบแต่มุดแต่พูดจนลหูลืนตาม ม, ามันหนักทได้ขึ้นมาครองใจแล้วเอากวดมันลองดูสิมันจะเป็นยังไง มาทำข้อสู่ใจไปโดยหลหดับลำดาจนกระทั่งทั้งทกับใจเปน็นอันเดียวกันแล้วนั้นจะเสียดายอะไรสิ่งที่เคยเสียดายสิ่งที่เคยรักเคยชอบคือพัวพันหวงเห็นมาแต่ก่อนกับทําที่ของใจขึ้นมาแทนที่ของสิ่งนั้น มันจะสดยสิ่งใดบ้างาให้เห็นดิไม่งั้นชาวโรตังทมชำนาสิงรถท้องปวงได้อย่างไรคำนี้เป็นคำถูกต้องตายตัวมาแต่การไห น, นว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดจะประทานโอวาทหรือรู้เห็นมาแล้วจึงมาประทานก็ทรงรู้เห็นแบบเดียวกันประทานแบบเดียวกันเพราะทำเป็นของประสุิฐมาดั้งเดิมอยู่แล้วอย่างนั้น สิ่งที่เป็นค่าสิิต่อธรรมก็คือมารของธรรมมารของเรามารของหัวใจสัตว์โลกเมื่อปราบมารอะไ น, นี้ราบลงไปจากใจแล้วตจก็เป็นสมบัติเันล้ำ่าคมาเห่าหัว ผมจะยิ้มคำบาปลางไปทุกวันทุกวันการอบรมสังสอนจะเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้ขอ้สังเกตแต่ธาตุถกขันในของวันห น, นึ่งวันหนึ่งไม่อยาก่เกี่ยวข้องกับอะไรนะตามปกติอยู่โดยลำพั ง, งคนเดียวพยายามพยายางธาตุกขันยมันก็มีแต่พอจะลงจะลงมา สัมผัดสัมพัส อ, อะไรเล็กน้อยก็ค่อยแต่จะจ ะ, จะย่อลงไปค่อยแต่จะล่มละลายอยีกางนั้นถึงวัยมันจะอันเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่ก่อนล้วไม่เคยมาคิดกังวลถึงเรื่องความสุขความทุกข์ในเรื่องร่างกายเดีย๋ยวนี้มีอะไรนี่จะมาเป็นภาระอันนี้เนี่ยตอนนั่นกับผมเป็นภาระอะไรมากนะยิ่งกว่าภาระอันนี้ที่ติกแนบอยู่กับตัว เพราฉะการให้เวรวาสั่งสอนนุ้เพื่อนที่ให้เป็นไปตามในลอบเวลาที่ต้องการเหมือนแต่ก่อนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุ น, นี้จึงพากันตั้งใจมีปฏิบัติเทสก็มีอยู่แล้วไปเปิดฟังเทสมันไม่ได้เทสของใครเทศก็คือเทสแห่งธรรมนั่นแหละผมเองผู้เทศผมก็ฟังอย่างเพลินใจผมไม่ถือว่าเทศนี้เป็นเทศของผม ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสมัติการเป็นเครื่องรื่นเริงได้ตลอดไวนั่นแหละตลอดภูมิของอิตไม่เลือกฟังไปนิดไปนาจะฟังมาสักแต่รอบ่องหได้อุบายด้วยได้ความสงบเย็นใจด้วยในขณะที่ฟังเพราะการฟังนี้เป็นทาคปฏิบัติอันดับหนึ่ง แห่งการปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเดินตจมกรมนั่งชำระทีธรนาแต่การฟังธรรมจากครูอาจารย์ที่ให้อุบายแนะนำ ส, สอนโดยตุกกล่องนี้เป็นภาพปฏิบัติอันดับหนึ่งมีการอะไรนะดูในเวลาอะรนะเปิดในสุดเกา่าเนาะ ส, นสุดเกา่นะกาอ๋อนะักได้เลย